วันนี้เทศวันที่9มิถุนาช่อง๑๕๐๔ณจังหวัดหนองคาย นนี้เป็นวันพันละที่อุทิศพิธีอังคำสุขสัตว์มาเสีวบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทุกคนที่นับถือพื่พุทธศาสนาเมื่อถึงวันคนนี้เขเลื่อนจะนักจากกิการงานของคนของนมาบรรนยังดนทีเพื่อเป็นการอุทิเองค์สมเด็จพรภูมีเจ้าการอำาจการสามารถ เท่าี่จะทนไปได้วันนี้เป็นอกาสที่บรรดาท่าสุทธศาะนิกชนทั้งหลายจะดูต้นหับกรับ่างเพื่อไปว่าคันแสงของดวงสมเด็จหรือคืมีเพอาดจ้าตามนั้นทางเพ่อเพื่าสิตที่จะยกขึ้นวาเป็นเสียสมบติานดวงตนนั้นได้อันจาราแต้งค้าราันนี้เป็นต้นซึื่อเมื่อผ่านมา สังขารทั้งหลายทั้งตปวงเป็นของไม่เชื่ยงแท้ผาบมนโตขึ้นแล้วย่ำดับไปเสมอการที่เข้าไปแรงระเบียบซึสังถารทั้งหลายเหล่านั้นย่ำเป็นความสุตอย่างนี้ดังนี้ ท, นท่านผู่รักสังขารในสังขารที่นี้มีสองโปรภทคือสังขารแม่ประเภทหนึ่ง สังขารในประเทกหนึ่งสังขารนากได้เกี่ยวพันไม้สูเ่เข า, ารหรือมัดตุ้งตานๆ้มทายตลอดสติรูปฐามขึ้นมากไปจากตัวของลายเรียกว่าสังขารมากสังขารภายในได้เกี่ยวพันภูมิท้งใจที่เราทั้งหลายเล่ากินต่อสิทธิ์ใจมาเรียกว่าสังขารสังขาร สังขารตัวพวกนี้หมายถึงการคิดทั้งใจจะคิดอย่างไรก็ตามให้นามว่าสังขารเท้านั้นสังขารทั้งแสนตัวพวกนี้คือสังขารภายแม่กับสังขารภายใหม่ยังเป็นสังเกตขึ้นเมื่อมีความแรเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาหรือบัดไปเป็นธรรมดาเมื่อสร้างขึ้น ตั้งอยู่และตัดไปเป็นอย่างนี้ด้ยวยกันทั้งสองประเทศทางที่เข้าไประนัดตัดเสียซึ่งสังขารทั้งสองประเทศนี้ข้ า, เ า, เามเว่าคนตามติดอันย่งใหญ่แบบนี้เกี่ยวไเราจะต้อ ง, งเข้าไระนัดตัดเสียซึ่งสังขารทั้งสองประเทศนี้ได้รูปเสียงตู่นรถเยลูกจะเป็นลูกห่ก็ตามทายก็ตา ม, ตาม รูกคนม้คือเผลที่ไปดูสิ่งขอซึ่งแม่ไปจากตัวของเราจะพระอย่างยิ่งแม่ในตายของเรานี้ทั้งแท้ทั้เยือกว่าเป็นสังขารเึ่นเดียวกันเราจะระลับดับขึ่นสังขารทั้งหลายเหล่านี้อย่างไรได้นะสังขารตัวเยือทั้งหลายเหล่านี้เป็นขางที่เกิดมาตั้งแต่เรายังไม่อุดดับขึ้นในโลกนี้เป็นขางตั้งขึ้นดับใจปวดขึ้นดับใจจัดตนตนตนเตมือ มิยังเปลี่ยนแปลงกันอยู่เช่นนี้มาตั้งกัดตั้งพันเราจะระงับทั้งฐานทั้งหลายเหล่านี้เพื่อเอาความความสุกยิ่งใหญ่นั้นเราจะระงับอย่างเราวิธีที่จะระงับทั้งฐานทั้งหลายเหล่านี้แล้วเราจะทำสุกันยิ่งใหญ่ในเมื่อเราระงับทั้งฐานทั้งหลายเหล่านี้นั้นเราก็ได้มาจากที่ไหนก็ทั้งฐานทั้งหลายเหล่านี้ เ่องสังขานที่มีขึ้นโผล่ขึ้นตามธรรมดาขึ่งเปนขอมีอยู่ประรําปัจจาระทามาตั้งแต่กาลไหนๆใครจะไปสามารถระงับสังขารทั้งหลายเหล่านั้นได้แม้อังสมเด็จพระพุทธเจ้าทราบอ้างถึงเมตตากรุ๊ปุลกรุ๊าุลกราณาบารวดในโลกกาลถ้าเราปราบข้าพัในประอับประหารซึ่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นให้หับพุ่งเขินไปจากโลก ทัานอุบาตขึ้นมาในโลกมากเป็นพระพุทธเจากก้าคนขั้นกรณีทางก็แล้วก็ดีจพระบทเล่าสังขารทั้งหลายเหล่านี้มีเป็นไปทัวทั้งแ่นดินหรือปายโลกกระเพ้าไม่จะบดวาโดยเสื่มลไปจากโรคในเมื่อพระพุทธเจ้าได้เข้าไปรักสังขารแล้วเพราะนั้นราจึงทราบว่าามระลับสังขารที่พระพุทธเจ้าเสนอจักนี้มีความหลายที่เกี่ยวกับใจทั้งหลาเท่านั้นจงจุงสังขาญที่สุด สังขารภายนอกเป็นสิ่งที่ไม่สำคัญเท่าไรสังขารภายในเป็นสังขารที่สาคัญมากตั้งหน้าภูเขาเป็นหนีเปงนชายเป็นขัตบุตสิสขแข็งคิวรามี่าธรรม่าคาเป็นเพชรเพชรอินดีมาตนจะคาดทั้ ง, งหลายเล่านี้ให้นา ม, มาสังขารการที่จะให้นำ สภาพทั้งหลายเหล่านี้ว่าตรงสังขารนั้นก็เมื่องจากสังขารชายมาคือความตึงของใจเหล่านี้เองไปให้ความหมายว่านั้นตรงหญิงนี่ตรงชายนั้นตรงต้นไม้นี่ตรงกูเข่นั่นเป็นตุบ้านนั่นตลาดนั่นตรงเพืเป็นลอยนั่นเป็นเงินเป็นทองนั้นเป็นข้าวเป็นสาเป็นสมีญญาทานั่นเป็นั้งมืนี่เป็นสองขั่วนั้นเป็นสางตนี้คป็นสองโตเหล่านี้ เปนคาหมายออกจากสังขารภายในทั้งนั้นสังขารภายใกไม่เป็นบางหาใดๆเพื่อพุทธเจ้าคือตรัสรู้ไปแล้วก็มีสังขารเหล่านั้นก็ยังคงอยู่พระพุทธเจ้าก็มีทานไปแล้วก็ทานสังขารทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นของมืขึ้นเกิดขึ้นดับไปตามประภาระของเขาซึ่งไม่เกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ต้องไป็นหนักขอให้จิตงป็นไปจากโลก แต่สังขามภายในคือความตงทั้งใจเราีเป็นบอโสดแหงความตั้งนือชกันในเป็นบอกโสดแหสมุทัยที่จะเพิ่มขึ้นแห่งทุกข์หรือจะต่อขึนแห่งทุกข์ให้ตึงเคร่องเขารวมจิตใจของเราการที่เราจอครับสังขารทั้งสองตกนี้แมกจกถ้าเราจะุกเบลาหินมตาวัทั้งหลายเหล่านั้นทำเป็น เพื se ่อมีอยู่ตามปกติของเขาถ้าตามแต่ความสําคัญของสถานภายในเรายังมีไปมีความหมายแก่เขาด้วยปกตีเวลาตั้งระทําราคาให้เขาเป็นอย่างนั้นดย่างนั้น ในเมื่อไปสร้างราคาให้เขาได้ส่วนนั้นก็เป็นเหตุให้มีความผูกพันในสิ่งที่ตนชอบใจจนสิ่งที่เป็นเหตุที่ได้มีความลำเทียวในสิ่งที่ตนไม่ชอบใจก็โกินเรื่องอธิการรัฐาดีเกขึ้นในใจทั้งกลมเกี่ยวกับสภาระทั้งหลายเหล่านั้นสภพพาระทั้งหลายเหล่านั้นทั้งั้างคิดรำมีอยู่ตามปกติแต่เรายังไม่เกก็ตาม เมื่อใจท่ามารถไปสัมพันธ์เกียงเนื่องหรือตั้มีสิ่งสมภารถ้าเรยปลาเป็นคดีที่ทานตัมกับเราขึ้นวงขึ้นสามในไหนก็าม่มีใครสามารถที่จะตัดสินให้ขาดวิตกวันดุลได้ว่าใครเป็นคนแพ้ใครเป็นคนชนะเมื่อมาพูนาจรยงตามกับภาณพันธ์หอเมื่อทางแหงสมเด็กเชิดขึ้นระาใจว่าท่านก็ะสาท่านย้มว่าสัตว์ท้าทั้งหลายเหล่านั้นันเป็นของเกิกขึ้น การหัวเล่าต่อไม่ี่าิงั้งอาบแตอย่างใดมันสองความคิใจของเราจะเป็นยึดมั่นถ่มั่งแะสิงเหล่านั้นเป็นควาเที่ยงแท้น่นเปนตเชื่อเป็นอัปปาที่เวลาเราชื่นชมนสัยให้เป็นความผกความเจริญเกใของเราได้เพื่อจะให้ไจของเราต้งหโทษนั้นไสในสี่ท้ายเหล่านั้นและเราจะได้หยัดเข้ามาุโทษนั้นใส่หลังฐานามมาถึงที่บทคแหรือสาคัญมมา การคิดพิจรณาอย่างนี้เรียกว่าเราที่มีสายในสามต้นคำที่ว่าสามต้นเลยจะเริ่มต้นแห่งการพิจารณาเพื่อจะหลวงโทษหลวงไถในสิ่งที่เรากู้คิดตั้งหลายเหล่านั้นการธรรมดาสองสภาทั้งหลายเหล่านั้นแล้วเขาไม่มีโทษหลวงไถไม่มีดีมีชั่วแต่อย่างใด เธคู่สิงนั้นจะปรากว่าเป็นีู่่ทาง้คีกับเรานั้นเนื่องจากใท้งหลายมีความสําคันธ์มายถึงเรื่องโกดราวเขาาว่านั้นเป็นอย่างนั้นีเป็นอย่างนี้นั้นดีอย่างนั้นมีชั่วดังนี้แล้วก็ปดเป็นเรื่องเป็นราขึ้นมาการที่ึ้นเป็นเรื่องเนราขึ้นมาก็เนี้ที่ต้องที่นิ้วท้าทั้งสวงเท้าที่ียเนกลอให้จิตขัดไขวอยู่เป็นเกลือให้จิตมีความจิต มันทั้หลายเหล่าน no so ั้นมาาเขาเป็นอย่างไรแล้วพิจารณาเห็นสิ่งนั้นโดยทัดเทมเมื่อพิจารณาเห็นสิ่งนั้นรู้ตามเป็นจริงในสัตาและนเขาคือการตั้งทีรู้ตั้งอย่กับไคตามสัตวาและองเขาดังนั้นเนมาทั้งแสนหยาไรเด้แลวก็จะพิจารณาถึงเรื่องสังานภายในของเราให้เห็นว่าสงานภายในนี้ นตัวชั่งเหนยบเป็นเป็นเตี๋ยตาเนี่ยตาขนเป็นเตี๋ยตาปัให้เกิดคา่ลให้เกิดความนุ่มล้นเป็น่อยดถือสังาภายใกซึ่ของมีเรื่องมีราบใดก็เยลาบเปผู้ปั่นเกิดุตนทั้งตนไดเมื่อใจทั้งใาได้คิดแยงเลยทั้งามขึ้นกดขจากใจทั้งหล่าภายทีจะได้ถึงโทษแห่งทั้งขามภายในนี้มลาบเป็นสังขารที่สาคัญยิ่งกว่าส้งขารภายน การที่เรารู้เข้อสำคัญภายนอกแล้วแต่เรายังไม่รู้เข้าสำคัญภายในของเราเราก็ไม่สามารถที่จะงับตัดเสียข้อสำคัญเหล่านี้ได้เพราะหนั่งการพิจารณาสำคัญภายนอกก็เป็นเกิดมาจากความสาคัญมันหมายของสำคัญภายในแต่สำคัญมั่นหมายเฉ้าะเมื่อเราได้พิจารณาภายนอกให้สำคัญภายใน ได้เห็นเพผลไทยว่าตนเป็นู้ป็นจุนปต่างก็ให้นามาดีว่าเกลือแต่เขาแล้วก็จะได้กลับมาเห็นเพืของตนเมื่อเราได้มาเู็ทเพื่อองสังารภายในนี่เด้อแล้วก็จะได้พยายนมพิชิตพิจาราพิงกี้สังขารภายในซึ่งเป็นดอกบัวแห่งทางดบกรวมตัวทั้งหลายด้วยปัญญาพิจาราเห็นภาพตรงตามตัวที่ใน้ังขารทั้งตนเ จาทุกรู่ก็ตามคิดทั่วกระจ่างไม่เที่ยงตั้งตัวสังขารอำนาจเกขึ้นตั้งอยู่ระดับใจและสังขารภายในเกิดขึ้นก็ตั้งอยู่ระดับใจเช่นเดียกันเห็นอนิจังสังขารอนาตาโดยกำลังต่างๆของตนองสังขารอนิจจ์ที่ว่าอนิจังก็ติดตามไมเที่ยงใาคตามจริเช่นเอิมทุกขหายไม่เือใเมื่อเราหลงทางแล้วเรากะต้องแอบคิดว่าอำนาจในสังขารนี้ยางแค่เียเดีย อนาตตาทังขานสองระเภทนี้มีทางจรากฏขึ้นแนวจะต้องแตกเป็หลายตัดไปขึ้นเดี่ยวกับสังขารภายใกเมื่อสรุปเราตามลงแล้วในสังขารทั้งสองประเภทนี้สังขารภายในให้เห็นเปสมงสังขัญอะไรมากมายอ้ยีจากสังขารภายในสังขารภายในนี้เองแบ่งเปิดผูจะทำความรุ่งเลืองในสังขารภายอกได้ในเมื่อเรารู้ข่าสังขารภายในั้งเรแล้ว จนกระังคุณ้แจ้งใครก็แล้ในจิตใจของตนเองตามที่องค์สมเด็จพระสุริย่าขันมุจราไว้ในร่างสุการว่าประทุแม้เราจะประทุในจิตใจทั้งเรารู้ว่พระพุทธเจ้าขําตรู้นองค์ของท่านแล้ทั้งอาราธมทั้งหลายก็ต้องการกดว่ามีอยู่เช่นนั้นไม่มีใครจะเข้าไปรังสับเสียให้ได้สูญสิ้นไปจากโลกจากสงสารได้ การที่เราตัดเต้สงานั้นหมายถึงวาการรับสังขารภายในั้งตัวเองหรือการรู้เข้างสัขานภายในของตัวเมื่เรารู้เข้าสังขารภายในของเราบางที่อที่บาดเจ็บมีสิ่หน้าสังขารเกิขึ้นมาจากไหนสัขานถาให้น้าบอกความจรงทั้งสิ้ เมื so, ่อส like ังขารของเรามีความตึนอยู่ไม่หยุดยั้งความรุ่งโรจนที่จะเป็นประการสังขารนีก็ย่อมมีความเข้มงวดขึ้นมาเสมอการที่เรารื่นาเห็นเนื่องสังขารของเราผูกพันขึ้นมาในภายในจิตใจของเราด้วยปัญญาจนเกิดความละเอียดียกขายด้วยปัญญาั้งเราแล้ว <link video> เราจะรู th ma right. right right right! right! ้ทั้งสถานที่โวดไหนทั้งฐานทาเปิดขึ้นมาจากไหนทั้งสัาขารกระปวดขึ้นทั้งสังขารขั้งอยู่ทั้งสถงขารบาดตาทั้งสังขารที่ปวดไปทางดีทางชั่วหรืออย่างต่างๆผลพัดด้วยปัญญาอย่างนี้เสมอแล้วก็ต้งเกิดขึ้นจะให้เราได้เข้าสู่ทางสงบระงับขึ้นทั้งฐานกางที่พระองค์ท่านกล่าวว่าการ ถ้าการัะกับเสียขึ้นสัารทั้งสองประเภทนั้นเป็นความติดการยิ่งหน่นั้นหมายความว่ารู้เข้าตามตรงนจริงในสังขารทายแม่ด้วยปัญญาด้วยรู้เข้าตามเป็นจริงขึ่งสังขารภายใน้ของตนเองด้วยปัญญาด้วยเมื่อมันมีทางติดข้ามตัวพันมีทางรู้เข้าเอาพันรู้ตามตรงนจริงในสังขารภายแม่ด้วย รู้เข้าตามตรงจุลสังขารภายในด้วยมี่และข่านเรียกว่าการเข้าไประดับเยขึ้นสังขารเป็นความศึกการยี่ใหญ่ทางนี้การที่สังขารจะเกิดขึ้นอยู่ทุกวันระดับไปทุกวันคือเป็นสังขารโป็นสังขารห้านี้ไม่เมื่อชาขิถังของเราไม่แตกไม่บัดไม่ธรรมดาเมื่อใด ย, ง ย, ยงงงังมีอยู่เมื่อไรเวทนาก็จะต้งมีอยู่เมื่อนั้นสังขานก็จะต้งอยู่เช่นเดียวกันยืนยังก็ต้งมีอยู่เช่นเดียวกันการที่ท่าว่ารับสังขานใดสังขารที่มีนัดหมายผู้ทามไม่เกี่ยวขอ้องไม่บุ่มหลงไม่ติดทางในสังขารที่กขึ้นจากคนสังขานที่เกิดขึ้นจากนตนนี้ในเมื่อเราจะ่างไรรอดพอ่อสังขานนี้ก็สรงตัวสมุทรไทยจเป็นเรื่องของพิเดกับพอะคู่แม่จิตใจเท้นานั้น เมื่อเราไปรู้ข่นนาวการมาสังขามภายในสังกงตอนทั้งสังขารภายในทั้งแสตเปีเเ้ยท่เหนือไม่เกียเ่ยวข้องตันไม่ติดมั่นกึ่งสังขารทังองเองนนั ก, รกเรียนท่านเรียกราชการเข้าไประงับกับเสึยงสังขาร ไม่ใช่การนั than, death, ่งับเสียกุ้สังขานั้นสังขารขมุกปราบโล่งนี้เป็นไปได้แต่เพียงวม่าลู้เท้าเอาทางขึ้นกรรมฐานรูป้ี่มีความจริงอยู่ตามสภาพของรูปเวทนาสัญญาสังขารมีอย่างแต่ะอย่างมีอยู่ตามไปจินแห่งขันนั้นใจกู้คิดรู้จักตอกจินในสภาวะทั้งหลายค่าอย่างนี้ถ้อตรงตามทิสมอตัน ความที่ไปก็เป็นความทีิงด้วเห็นจริงตามความจริงทั้งใจด้วยเห็นจริงตามความทีิขอรูปขอเนื้อหนาของสัญญาของสังขารทุกส่วนอันใดทังคมด้วยหรือารไปจินเรารูปเห็นจริงลดเครื่องสัมผัสซึ่มีอยู่ในกลยกกประานี้ด้วยไม่มีการขึดหยุ่รูปาทางตาปจินในปัะภาละทำเชื่อไปทาภายนอกและภายในนี่เรียกอว่าการเข้าไปในรักส่งสังขาร เมื่อใจของเราไม่มีอันใดเป็เชื่อมตาเทว์ปัญหาก็กลายเป็นปัญาเร่ล้วนเพื่อเป็นขันเร่อล้วนไม่เกี่วโรคที่เกิดอาสวะรู้ความเรียกว่ารู้ก็คงเป็นเรูปองตามควาิดยคนาสัญญาปัญหายืนยานตามก็เป็นควาทจรงงตรงองตรงไร ผู้ที่รู้รู้ตัวพนาสัญญาสังขารหนึ่งยานก็ตรงมางรู้ทั้งตรงไว้ตาตรงจรไม่ติดมั่นตัวทำในธรรมรู้ที่เป็ขึ้นจากตนหรือไม่ดมั่นตัวทำรู้หลงในธรรรู้ทั้งตองอย่างนี้ที่ว่าตไม่ติดตด้วยตนจรไม่ติดในธรรทั้งหลายตนตายตนให้คนจรของตนไม่ด้วยตนจรเป็นผู้ที่ตัวร่างขึ้นสังขารธรทั้งภาทั้งภายนอกภายใน เมื่อดวงใจทางโดยแล้วอกคือว่าใจไม่เหลืงใจเดียงลงเดียวเบลานั่งใจก็ไปหลงรู้หลงเสียงหลงกลิ่นหลงลสหลงเที่ยงสัมผัสทั้งหลายไม่ได้เหลืงในตถาคามทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกทั้งที่อยู่ในกายก็ตามอยู่ใกล้ก็ตามอยู่ที่ไหนๆก็ตามท่านเรียกละโลภตมทูจนถึงแก่เห็นที่ซึ่งโลกธาตุเกิดปามสถาคามเอานี่เรียกว่าโลปภตมทู ในเมื่อเรารู้แรงการไปกินในสัาว์นธรรมข้างหลังซึ่งเปนของยู่ในโลกที่แล้วเราต้องมาติตเในสภาว์ันธรรมข้างหลังเื่อจากใจเรางกินในใจทั้งมดเราก็มาหลงสัาว์นธรรมข้างหลังตามในสัาว์ธกรรมั้งหลังก็ควรซึ่งตามจริงครับคน้ตามเป็นจริงผู้ที่รู้ตามเป็นจรงแล้วก็ควรามรู้ตามเป็นจริง้นไต่างให้สงสัยขึ้นตนาคกันนี้เราทั้งเลือกหลักการข้อประดับอเสียซึ่งทั้งขา ดังคำสุทาิยี่งใหญ่จงนี Eat, fit, doom, ้การเข้ากำลังได้เกิดทางให้เกิดทันไม่ตื่น้าไม่หลงในทั้งฐานของตไม่หลงในทั้งฐานทายม้าหรือทั้งฐานของบุคคลอื่รู้ประจักรวาลเห็นประจักราพนรู้เ้าตาตนทิทางที่มากระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทั้งจอารมณ์ที่เกดขึ้นภายในใจั้งตน ว่าัดเาตัวม่มีทางต้อหวงตาตาตามที่จุดจุดจักสิหรือตามปราราทำใดๆมีทางห็มาว่าการครอบไประัตัดเสียซึ่งสังขารเพมคําจุอันยิ่งใหญ่ดังนี้เพราะหลกนั้นเราท่านพุทธศาสนาทั้งหลายคุณทราบว่าสังขารภายแม่เราก็เป็นเจ้าครองเหนือเเจ้าของในสมบัตทั้งหลายเหล่านั้นเยอ ฐานทาวนาคือความตึงทั้งใจราทั้งหลายก็มีอย่างสมบูรณ์ามที่เรากะคิดภาวนาเพื่อการรงับกับเสียสิ่งทั้งสารทั้งหลายเหล่านี้น่กจกเรากะตกดำจนอดรมจิตใจของเราให้ได้รับความเยือกยให้ได้รับความเป็นสุขให้รับความแน่นอนจนทางสงบจิตใจในใจเดีวไม่มีทางอื่น แต่ในเมื่อมีคามมันหนยินตึงเต็มกระโดดไปมาแล้วจะหาความสุขที่ไหนไม่ได้นอจากใจจะตั้งอยู่ในความเป็นเอเสติดูความเฉลี่ยแข็งใจแล้วจะได้มองเห็นชั้นเห็นทางผลโทษผลกุญซุ้งปัญ้างมีในโลกพักวใจไม่มีเวลาขาดโวงหรืบทกล้องเราจะได้เห็นชัดโ้กปัญญาในสภามะทั้งหลายซึ่งเรียกว่าสัญหาภายนาก เราก็ได้เห็นครับซึ่งสังถามภายนอกภายนที่เป็นผู้ผีอ้วนคิดเนื้องูนี้อยู่ตลอดเวลาทั้งกลาวันกลางคืนโดนโดนนั่งนานเมื่อเราได้เห็นตามเจริงทั้งสังขารภายนอกและสังขารภายในไม่มีความผูกพันในทางจิตใจตวทางปัญญาทั้งเราได้พิดมาเห็นชัดแล้วตามเป็นจริงเราก็จะมีความเริ่มเย็นเป็นสิทธาเลือกวัตถุพาตุคิดไปไหนก็ไม่ติดไม่ทางไม่อาคิดไปทางอดีต ก็เป็นธรรมปฏิบัติปัจจานาทศก็เป็นปฏิบัติัในนิรธรรมเสมอไม่ติดข้องทั้งธรรมที่เป็นส่วนอดีตไม่ติดข้องทั้งธรรมที่เป็นปัจนาทตไม่ติดข้องในปัจจิบัติคือความคิดของตนเองรู้เข้าการเป็นอยู่ตามไปกินอยู่จนนิพพานเวลานี่หละทางเว่าโตสังหรุปะโมกิโตะอามระนับตะเฉียดซึ่งสั้งขารไม่มีอํานาจที่จะบังคับติดตใจข้งเราให้หลังไหลไปตามด้วยแล้ว เราก็เป um, uh, uh, uh, uh, ็นโกาิตอกาธรรมเราถ้าเป็นอกาอิสระโคมีในจิตใจของเราไม่มีอิสระโคดีอันใดที่จะเทียงเท่าจิตที่มามเหนืออันาจที่มีความฉลาดเหนืออันาจที่เดชาระทั้งหลายโยนักเรียกว่าตัดโลดสางก็เรียกเรียกว่าตัดสงขารก็เรียก เนื้อตามเข้าตาลนักตัเดเสียซึ่งสังขารเรลียกสังขาร น, นี่เองเป็นประโย์แ่ขขงังชาแห่งความปวดเก็บดตาความมุนเวียเปลียนแปลในเมื่อเราไร้รู้เอาเอาทางตามประามะที่เีย้อตาสังขารนี่แล้วสังขารภายนอกไม่เป็นลังคาใดลพระพุทธเจ้าก็ยังทรงพระชนอยู่่าตาม ไปไม่านไปแล้วก็ทานตรอสศัพท์ตลสังขารธรามหน่นี้ก็ต้องมีในโลกตนี้ไม่ได้สาบสูญไปที่ไหนเราไม่ต้องสงสัยว่าสังขานทั้งหลายเหล่านั้นจะมายั่งยีพาจิตใจของเราได้มาจากสังขารภายในของเราเท่านั้นทีเป็นตัวสาบสต เป็นเครื่องมายาสำบัดหลอกลวงจิตเราทั้งหลาให้หลงตามในเมื่อเราได้รู้กลมายาทังขารขึ้นเกิดขึ้นทายในใจของเราแล้วส้งขารอันนี้ก็จะเป็นผู้มิผู่สราหายทั้งหลายก็จะเป็นเครื่มีทั้งหลายให้ดคิดฝ้าไปมาในเมื่อมีบาดที่งบาดกระหาอยู่เมื่อก็รู้ความในเรื่องสภาวธรรมส่วนใดๆในเมื่อจิตของเรายังมีโทษมีคิดอยู่สภาวธรรมทั้งหลายเหล่านั้นก็กลายเป็นคี้เป็นไอเป็นข้าสิตรูพริบไแล้ว เมื่อใจทข้งเราก็้เป็นคินจาเจ้าทั้งเราโบดีแล้วศภาณธรรมทั้งหลายร่างตัางบุญปัจฉัทั้งหราก็จะลาเป็นน้จเป็นสายเยืึอมีความเยียบว่าศภาณธรรมหมดทั้งโลกไปเมื่อเจ้าทั้งบามีความเย็นเย็นเป็นสไม่โง่ตามในศภาณธรรมธัรมไล้ เนผู้ทรงไว้ซึ่งคุณมเราปลกโดยวีแล้วสัาะธรรมทั้งหลายก็ปราสนิ้นิพัทธ์ผนัทธ์ผนิาปังยาราพันนางฤหันตาคงจีงตามสัาระธรรมทั้งหลายก็เป็นสุกัโตไดีมาดรนี้ีละอันาจแห่งการระดับเสียซึ่งสงารทั้งหลายเหล่านี้แ้วเป็นโูข้จะดุยักยังซึ่งคารม้เยียงเสืองความปวดแส่เจ็บตาจึงเรียกว่าสังสารจักงเกียวไปมาแห่งอาการทั้งจิตโยคุวิจง เพื่อข้อกำหนดเกิดในสถานที่นั้นที่นีเมื่อเรา้วงับสังขารต่อเพศนี้แล้วทอดเป็นอันละระงับความเกิดความเจริความเกิบความตายก็ไจับทั้งหลายเ็ื่อจะยึดติดลงในขณะที่เราะงับสังขารได้เท่านั้นแต่หังนั้นไปเราไปจับรงโดยังมาสูดตามที่องค์สมบุกสมบูมณ์ประพาสทำดยคนสนธิเอาไว้ว่านิตรานังปรามังสุขขังกป็นมิตรานเป็นสุดอย่างยี่งนึ่ง เพืณาราบติานุมาอาบัติานะครับเพื่อชดลมังคย์ที่เาทำมาราต้องมาิค่ะบารมีขัทั้งหลายจนมาปกค้าเราท่าทุกข์ก็จะมีกบฏที่จะคิดทำทั้งหลายให้มีความสุขการสบายใจทุกที่ว่าราปรีการมีรับปรทานมีเจตนามาในทางกัรบังตอนท่วนโอมสกบูรณ์มีเจ้าเจ้า คนน่าจะสมควรโท n มาเพราะยุติลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้เ่ง variance, ความปวเอาก